คืถ้าเราอยากเรียนธรรมะให้ง่ายนะลืมของเก่าแค่ชั่วคราวนะลืมไปลองมาฟังอะไรใหม่ๆนะหลักของการปฏิบัติธรรมต้องหลับอยู่ในหลักของอริยสัจอะไรที่คลาดเคลื่อนออกจากหลักของอริยสัจแล้วก็ไม่ใช่การปฏิบัติทางศาสนาพุทธแล้วอาจจะเป็นของตามของฮินดูอะไรนี้เข้ามาแทรก หลักของอริยสัจเนี่ยท่านสอนง่ายๆบอกว่าทุกเนี่ยทุกทุกก็คือกายกับใจคือขันหานี่แหละติดตัวทุกทุกเนี่ยให้เรามีหน้าที่รู้มันให้รู้ทุกสมุทัยคือตัวตัณหาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกเนี่ยมีหน้าที่ละการรู้ทุกละสมุทัยนั่นแหละเรียกว่าการเจริญมรรคเมื่อสมุทัยถูกละ น, นิโรธก็แจ้งหลักของการปฏิบัติต้องอยู่ในกรอบอันนี้ ถหลุดจากกรอบนี้เมื่อไหร่เราก็ไม่ถูกแล้วนี่การรู้ทุกข์หรือหรือการรู้กายรู้ใจเนี่ยมีวิธีการอย่างไรวิธีการรู้ทุกข์พระพุทธ เ, เจ้าสอนอยู่ในมหาสติปัฏฐานสติปัฏฐานเนี่ยบางส่วนทําไปเพื่อสมถะบางส่วนทําไปเพื่อวิปัสสนาอย่างการคิดพิจารณากายเป็นปติกูลเป็นอสุภะอะไรนี่เป็นอารมณ์ของสมถะ อย่างจิตมีราคาเราก็คิดเรนะื่องอสุภะจิตก็สงบได้ความสงบขึ้นมาอารมณ์อีกส่วนหนึ่งจะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาอารมณ์อะไรก็ตามที่รู้กายรู้ใจจริงๆรู้เอานะรู้กายรู้ใจนี่จะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาการรู้กายรู้ใจก็รู้ง่ายๆคำว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานมันนี่มีสติ เอากายเป็นฐานที่ตั้งของสติอยู่เนืองเนืองเอาสตินะ่ะตามรู้กายอยู่เนืองเนืองกายานุปัสนาคือกายอนุปัสนาปัสนาว่ารู้เห็นอนุว่าตามตามรู้ตามเห็นกายอยู่เนืองเนืองวิธีตามรู้ตามเห็นกายทํำยังไงให้เธอมีความรู้สึกตัวนีพระเจ้าคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้เนี่เราฟังมาหลายตัวแล้วนะอันแรกทวนนิดนึง แรกจะต้องรู้ทุกคือรู้กายรู้ใจการรู้กายรู้ใจเนี่ยทำโดยการตามรู้เรียกว่าอนุปัสนากายญาุปัสนาการตามรู้กายจิตตานุปัสนาตามรู้จิตตามรู้หมายถึงเขาเป็นยังไงรู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นนี่วิธีการที่จะตามรู้ได้เนี่ยท่านแรกเลยท่านสอนบอกว่าภิกษุทั้งหลายให้เธอมีความรู้ฝึกตัวเนไต้องรู้สึกตัวนี่ก็คีย์ว่าอีกตัว ตามรู้ก็ขีวะตัวหนึ่งรู้สึกตัวก็ขีวิติดตัวนรู้สึกตัวหมายถึงอะไรอย่าให้ใจลอยอย่าลืมเนื้อลืมตัวถ้าเราใจลอยไปเราหลงคิดไปเราลง่ทำอะไรตอนอะไรวุ่นวายไปเราก็รู้สึกตัวไม่ได้เราะน้นเราต้องไม่ใจลอยใจลอยนีย่ทำได้หลายแบบนะใจลอยสุดขีดเนี่ย คิดอะไรก็ไม่รู้ใจรอยระดับรองลงมาเนี่ยรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมกายลืมใจทำยังไงจะไม่ลืมกายลืมใจถ้าไม่ลืมกายลืมใจก็ตามรู้กายรู้ใจได้นี่จุดที่จะผิดกันตัวตัวหนึ่งในการปฏิบัตินะั่นก็คือไม่รู้สึกตัวไม่มีความรู้สึกตัวอย่างเราไปยกเท้ายั่งเท้านีาา่จิตเราไหลไปอยู่ที่เท้าเราเเห็นไหมกาหนดลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมเนี่ยเห็นไหมสร็จมากไม่รู้หรอก กาไปไปหลงเพง่งถ้าหลงเพ่งไม่ใช่การตามรู้แล้วการเพ่งไม่ใช่การตามรู้แต่เข้าไปตรึงความรู้สึกให้นิ่งให้รู้สึกไหมว่าอย่างเรากำหนดเท้าเนี่ยจิตเรากเกาะที่เท้าใจเราก็เริ่มนิ่งๆถ้าทำเราจะรู้อะไรไม่รู้อะไรหรอกรู้ก็รู้แบบคนตกน้ำไปแล้วเหมือนจะดูคอนเสิร์ตก็โดดขึ้นไปอยู่บนเวทีเรียบร้อยแล้วนั้นต้องตามรู้ตามรู้ไม่ใช่การเพง่ง ไม่ใช่การดักเอาไว้ก่อนแต่มันเป็นยังไงค่อยรู้ว่าเป็นอย่างไงตามรู้ไม่ใช่ตามคิดเอาว่าอาวตอนนี้โปรดหน้าตอนนี้เลยท่าต้องบรรยายหน้าที่มีแค่ตามรู้ท่านไม่ได้บอกว่ารู้แล้วให้บรรยายด้วยแล้วท่านก็ไม่ได้บอกว่ารู้แล้วให้แก่ไม่ใช่บอกว่าอ้าจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะแล้วละโทสะเสียมีพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแต่อาจารย์ชอบสอน อาจารย์จะชอบมากในเรื่องแก้อาการของจิตเพราะฉะนั้นตะเลิดออกนอกของหลักของสติปัฏฐานไปท่านต้องการให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงก็จะเห็นความจริงว่าเราบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราพอเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยสักกายทิฏฐิก็ขาดก็บรรลุพระโสดาบันละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราได้นั้นหลักปฏิปัติจริงๆมีเท่านี้เอง รู้สึกตัวขึ้นมาตามรู้ไม่ใช่จ้องไว้ก่อนไม่ใช่เพ่งไม่ใช่แก้ไขให้ตามรู้ตามรู้อะไรตามรู้กายตามรู้ใจไม่ใช่ตามรู้ความคิดนะไม่ใช่ตามรู้เรื่องที่คิดเต้องตามรู้กายรู้ใจของเราถามว่ารู้ได้ไหมกายกับใจคล้ยๆก็รู้ได้แต่ชอบรู้ช้าอย่างโกรธเพื่อนเมื่อวานวันนี้นึกได้ว่าเมื่อวานโกรธแล้วก็รู้จักเหมือนกันว่าความโกรธเป็นไงแต่เราชอบดูช้าไป ถ้าจะตามรู้จะต้องทำยังไงหมายถึงว่าพอความโกรธเกิดขึ้นความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นความโกรธดับไปตอนที่ความรู้สึกตัวเกิดขึ้นระหว่างความโกรธกับความรู้สึกตัวนี้ไม่มีอารมณ์อื่นมาขั้นไม่มีตัวอื่นมาขั้นอย่างนี้เรียกว่าตามรู้ทาบกันติดๆไปเลยไม่ใช่โกรธแล้วก็เผลอไปช่วงหนึ่งมีความเผลอมาคั้นแล้วก็มารู้สึกตัว ว่าเมื่อกี้โกรธนี่ไม่ทันแต่ถ้าเผลอแล้ว ร, รู้ว่าตอนเมื่อกี้เผลอเองนี่ได้นะไม่มีอะไรขั้นระหว่างรู้กับเผลอเห็นไหมว่าต้องตามรู้เพราะพระพุทธเจ้าให้ตามรู้ไม่ใช่ให้ดักไว้ก่อนเฉนั้นถ้าเราลืมสิ่งที่อาจารย์สอนซะมาฟังว่าพระพุทธเจ้าสอนอยังไงแล้วง่ายนิดเดียวสิ่งที่เราเรียนจากสํานักอาจารย์ส่วนมากจะเป็นเรื่องอุบายอุบา ย, บายหรือแท็กติกอ ีเรียนแท็กติกแล้วลืมหลักพอเรียนแท็กติกลืมสเตรทีชีลื ม, Strategy, ล, มลืมหลักลืมยุทธศาสต ร, ร์ธธ ร, รู้แต่ยุทธวิธีอย่างนี้าหารนจับหลักให้แม่นแม่นคนละเรื่องกันนะคือการรู้ตัวเนี่ยเราทำได้ตลอดเวลา ยกเว้นมีข้อยกเว้นยกเว้นเวลาที่เราต้องใช้ความคิดเพราะคิดเนี่ยทําให้เราเห็นกายเห็นใจไม่ได้เราก็รู้ไม่ได้รู้สภาวะไม่ได้ทำนี้ปัตสนาไม่ได้แต่คิดคิดไปแล้วคิดบางเรื่องเช่นสิบเรื่องเรืออนุสติสิบนะเรื่องให้คิดคิดคิดคิดไปแล้วจิตสงบเนี่ยทำสมถะได้คิดนะแะ่ทำนี้ปัตสนาไม่ได้เพราะไม่เห็นกายไม่เห็นใจลงแต่คิด เวลาเราคิดเราก็เลยทำวิปัสสนาไม่ได้เวลาเผลอทำวิปัสสนาไม่ได้เวลาหลับเนี่ยทำมิปัสสนาไม่ได้นะไม่ต้องฝึกนะมิปัสสนายามหลับเนี่ยเราพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนในพระไตรปิฎกบอกทำไม่ได้นะอยู่ในกาถาวัตถุเขียนไว้ชัดเลยว่าทำไม่ได้เพราะว่าอะไรเพิ่มขาดสติแต่ถ้ามันไม่หลับจริงนะกายหลับแต่ใจไม่หลับอย่างนี้ได้นะ อย่างถ้าเราช่วงไหนเราฟิตจัดจัดหัดใหม่ๆเนี่ยจเจริญสติทั้งวันเลยจิดจัดกลางคืนนอนไปเหมือนไม่หลับเลยแต่ร่างกายหลับแต่จิตเนี่ยนั่งสมาธิจิตทําอะไรเนี่ยจิตรู้สึกตัวไปเรื่อยๆ <นะ S 1> หรือบางทีฝันร้ายฝันร้ายแล้วรู้สึกตัวปั๊บเลยมันย้อนมาดูความกลัวตรงนี้พอมันย้อนมาดูความกลัวความกลัวหายไปจิตใจก็มีความสุขถ้าขยันสุดอย่างนี้ก็ไม่ไปอับาย แต่บายไม่ได้เพราะว่าเวลานิมิตที่ไม่ดีเกิดเนี่สติมันเกิดขึ้นมาแต่ว่าไม่ใช่เราไปฝึกตอนฝันนะเราต้องฝึกอยู่ข้างนอกนี่ฝึกในยามที่มีสติสมัชยชัญญะบริบูรณ์นี่การตามรู้กายมีหลักง่ายๆนะทิศสูทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวรู้ในการก้าวไปในการถอยหลังในการคู่ในการเหยียดในการกลืนน้ําลายกระพริบตาเดี่ยวซ้ายแลกว า, วานใครรู้สึกตัวรู้สึกตัว อย่างนี้ไม่ใช่รู้สึกตัวใช่ไหมใครรู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้เห็นไหมไม่ยากอะไรเลยพอรู้สึกตัวแล้วลองดูสิรู้สึกไหมว่ากายไม่ใช่ตัวเรากายเหมือนก้อนอะไรก้อนหนึ่งที่มาตั้งอยู่เนี่ยรูปก็ปรากฏแล้รูปไม่ใช่ตัวเรานี่เห็นและเห็นว่ารูปไม่ใช่ตัวเราเห็นกายไม่ใช่เราง่ายๆถ้งเมื่อไหร่เห็นว่าจิตไม่ใช่เราไม่นั่นสักกายทิฏฐิจะขาดไม่ไม่ใช่เรื่องยากนักหนาอะไรหรอก มีความคิดอย่างเนี้ยไม่เห็นกายไม่เห็นใจยลืม ห, หมด อ, อรู้สึกตัวไปอย่างเนี้ยแค่นี้เองพยักหน้ารู้สึกนะไม่ใช่พยักหน้าแล้วใจลอยเอ่ยนะยกเท้ายั่งเท้ารู้สึกตัวไม่ใช่ให้จิตไหลไปเกาะที่เท้านั่นเรียกว่าเพ่งไม่ใช่ไปคิดว่าเออยกข่านี้เดี๋ยวจะยกข่านี้อย่างนี้หนอหนๆนี่คิดโคนล้านกันรู้กับคิดไม่เหมือนกัน รู้กับเพ่งก็ไม่เหมือนกันเนี่ยรู้กับคิดแล้วใช่ไหมเพรารู้ทานสภาวะที่หลงคิดปุ๊บ ก, ก็รู้เลยเนี่ยเขาถึงแย่งนั่งข้างหน้ากันใช่ไหมคือหน้าเรียนง่าย <laughs> แต่ต้องใจถึงนะบางคนนั่งหน้าเกลงเลยคราวนี้ฟังอะไรไม่รู้เรื่องละเกลงเห็นไหมไม่ใช่ว่ารุ่นพี่เขาเอาเราบางหน้านะเขาหวังดีจริงๆ <laughs> ไม่เผลอแล้วรู้สึกไหมนี่หัดอย่างนี้หัดรู้ทันแต่คิดแต่แล้วรู้ไหมค่อยๆสัง เ, เกตที่จิตใจหรานะหลักปฏิบัตินี่นง่ายมากเลยรู้สึกตัวไว้ก็คืออย่าไปหลงไปอย่าไปเผลอไปรู้กายรู้ใจแต่ไม่ใช่นั่งเพ่งเนียเริ่มจะเข้าไปเพ่งแล้วไม่ไม่ไอไหร่จะเลิกเพ่งเหรอเลิกได้พักหนึ่งทำไมกลับไปเพ่งอีก อไม่มีอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งวัดได้ใจมันแข็งแข็งทื่อๆขึ้นมารู้ไหมถ้าใจแข็งแข็งทื่อๆสแสดงว่าผิดแล้วแอบไปทำแล้วไม่ก็ร้องเพลงสักเพลงหนึ่งเออไม่ยอมปล่อยรู้ไหมรู้ทันเลจิตไม่ยอมปล่อยรู้ทันว่าจิตไม่ปล่อยจิตมันก็ปล่อยของมันเองเห็นไหมถล่มลงไปล้ว เออไปไม่ไปอีกแล้วคอยรู้ไปเรื่อยๆนะห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้แต่คอยฝึกรู้สึกตัวไปบทเรียนที่หนึ่งรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวแล้วก็มาตามรู้กายรู้ใจรู้กายเพื่ออะไรรู้กายเพื่อจะให้รู้ใจงั้นถ้ารู้ใจได้ก็รู้ใจเข้าไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากิเลสไม่ได้อยู่ที่กายหรอกกิเลสอยู่ที่ใจความทุกข์อยู่ที่ใจความทุกข์ทางกายจะดูยังไงเขาไม่หายหรอกก็ต้องทุกข์ ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นผลของวิบากเป็นกรรมเก่าส่งผลให้มีกายอย่างนี้ก็ต้องทุกข์ไปแก้ไม่ได้ล้วทุกข์ทางใจนี่เกิดจากการทํากรรมใหม่นี้แหละยังแก้ตรงของใหม่นี้รู้สึกตัวอยู่แล้วก็มารู้จิตใจของตัวเองนะการรู้จิตใจเนี่ยมันรู้ได้สามระดับเบื้องต้นเนี้ให้เรารู้นะว่าความรู้สึกตอนเนี้เป็นยังไง ขณะเนี้ยจิตใจเรารู้สึกยังไงเช่นมันมีความสุขมันรู้สึกสุขขึ้นมาเรารู้ทันว่ามันรู้สึกสุขมันรู้สึกทุกข์มันรู้สึกนิ่งนิ่งรู้สึกไหมรู้สึกนิ่งนิ่งเนี่ยของปลอมอีกแบบหนึ่งรู้สึกนิ่งนิ่งเนียมันรู้สึกฟุ้งซ่านเนี่ยมันรู้สึกรักมันรู้สึกใคร่มันรู้สึกโกรธมันรู้สึกกลัวเความรู้สึกทั้งหลายอันใดเกิดขึ้นให้รู้อันนั้นเลย ความรู้สึกเนี่เหมือนกับสิ่งที่ห่อหุ้มจิตะเป็นสังขารเรียกจิตแตสังขารเหมือนเสื้อผ้าของจิตอย่างเราจะดูตัวเราเองสองกระจกไหมถามว่าเราเห็นตัวเองเลยไ ม, ไม่เห็นเห็นเสื้อผ้าเพราะเสื้อผ้านี้หุ้มตัวเราอยู่เอย่างเห็นตัวจริงเราไม่ได้เราเห็นจิตตัวจริงยังไม่ได้นัเราเห็นเครื่องประดับเครื่องตรุงแต่งจิต ก็คือเห็นเวทนาความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยเฉยเราเห็นสังขารกุศลอกุศลทั้งหลายนี่เราก็เฝ้ารู้ตรงนี้ไปนี้พอเราดูไปเรื่อยเรืยเราก็ไปนึกว่าอย่างนี้เรียกว่าดูจิตความจริงยังไม่ถึงจิตดูได้แต่เปลือกของจิตแล้วพอฝึกมากเข้ามากเข้าเราจะพบว่าเวลาจิตไปรู้อารมณ์ทั้งหลายเนี่ยไม่รู้เฉยเฉยเราแอบทํางานด้วยนี่เราเริ่มขยับมาเรียนรู้พฤติกรรมของจิต จิตมีพฤติกรรมมันชอบเสือวิ่งไปตามอารมณ์ไปไปหลงยินดียินร้ายเข้าไปแทรกแซงเนี่ยเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยวจิตวิ่งไปทางหูเดี๋ยวจิตวิ่งไปทางใจไปเกิดทางใจเนี่ยคอยหัดสังเกตพฤติกรรมอันนี้เข้าใกล้ตัวจิตมากขึ้นล้วลองหัดสังเกตตั้งแต่ตรงนี้เลยก็ได้นั่งฟังหลวงพ่อพูดอยู่เนี่ยสังเกตไหม ว่าเดี๋ยวก็ใช้ตาดูเดี๋ยวก็ใช้หูฟังฟังนิดหนึ่งก็เอาไปคิดรู้สึกไหมสลับไปสลับมาหัดรู้พฤติกรรมของจิตหลวงปู่ดูสอนให้รู้พึกของจิตอย่าส่งจิตออกนอกส่งจิตออกนอกคือส่งจิตหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ น, นั่นเองเนี่ยหลงไปทางใจรู้ไหมเอออย่างนี้เรียกว่าไม่หลงแล้วไม่ออกนอกเนี่ยออกไปแล้ว ยจิตมีพฤติกรรมพอเรารู้เท่าทาันพฤติกรรมของจิตมากเข้ามากเข้าต่อไปเราจะเห็นอริยสัจหลวงปู่ดูนเรื่องอริยสัจแห่งจิตความจริงอริยสัจก็ต้องแห่งจิตนั่นแหละเพราะตัณหาหรือนิโรธอะไรมันก็เกิดที่จิตนั่นแหละการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไม่สามารถจะเห็นอริยสัจได้โลกุตตระปัญญาจะเกิดไม่ได้เห็นแค่ขันห้าเกิดดับเกิดดับเกิดดับเนี่ย ยังไม่เกิดโลกุตตะลปัญญาโลภุตตะลปัญญาเกิดจากการเห็นอริยสัจงั้นเราเห็นความสุขเกิดแล้วดับความทุกข์เกิดแล้วดับกุศลเกิดดับกุศลเกิดแล้วก็ดับเห็นเห็นเห็นเห็ น, หนต่อไปเราจะค่อยๆเห็นอริยสัจ ร, รู้ว่าลำพังสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปไม่เกี่ยวอะไรกับเราหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่จิตไหลเข้าไปแทรกแสงจิตหลงเข้าไปจิตส่งเข้าไปจิตจะเป็นทุกข์ จิตทยานเข้าไปยึดอารมณ์เมื่อไหร่จิตจะเป็นทุกข์นี่เริ่มเห็นอริยสัจแล้วพราะทยานเข้าไปทุกข์ทยานเข้าไปทุกข์ทยานเข้าไปทํางานนะสังเกตไหมอย่างทยานเข้าไปคิดทยานไปดูทยานไปฟังนี่แอบไปทํางานทั้งนั้นแต่การทยานไปดูไปฟังทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่เกิดกุศลอกุศลอะไรทยานทางใจเนี่ยเกิดกุศลและอกุศลตัวนี้ยตัวแสบเลยเวลาหลงทางใจเนยเช่นหลงฟังฟังหลงพ่อรู้ไหม รู้ไหมว่าฟังไปคิดไปพอรู้ว่าฟังไปคิดไปรู้สึกไหมเหมือนรู้สึกตัวขึ้นมาจริงๆเองแต่ถ้ารู้เรื่องที่คิดจะไม่รู้สึกตัวเลยยิ่งหลงหนักเข้าไปอีกแต่ถ้ารู้ว่ากําลังคิดอยู่เนี่ยจะรู้สึกตัวขึ้นมาพอรู้สึกตัวขึ้นมาเราก็จะรู้เลยโอ้ถ้าจิตไหลเข้าไปก่ออารมณ์เนี่ยนะจิตวุ่นวายระสับกระส่ายดิ้นรนจิตก็เป็นทุกข์ความดิ้นรนของจิตนทําให้จิตเป็นทุกข์ นี่เริ่มเห็นอริยสัจเลยพอเห็นมากเข้ามากเข้าจิตก็เลิกดิ้นรนรู้นีดิ้นไปหาความทุกข์จิตก็ไม่ดิ้นไม่แส่สายความทุกข์เพราะตัณหาก็หมดไปและจิตไม่ดิ้นนี่ก็พ้นทุกข์เพราะว่าสิ้นตัณหาแต่ว่ายังไม่สมุดเฉดถ้าอย่างนี้าตามรู้ไปเรื่อยๆอีกเห็นว่าตัวจิตเองนั่นแหละไม่ใช่ตัวดีเลย ไม่ใช่ตัวน่ารักแต่เดิมเราคิดว่าตัวจิตเป็นตัวน่ารักเพราะเป็นตัวเราเราพยายามหาอะไรต่ออะไรมาป้อนมันป้อนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันมีความสุขพามันไปดูหนังแล้วคิดว่ามันจะมีความสุขดูไปดูไปหนังชักเครียดอีกแล้วอ้าทุกออกมาอีกนะเครียดมากไปหาอะไรกินก่อนหายเครียดไหมกินกีโอ้จุกอีกแล้วไม่หายคุ้มใจอีกแล้วอิ่มเกินไป ห้ฟังเพลงสังหน่อยไหมหรือจะไปคุยกับเพื่อนไม่เที่ยวหาอะไรมาป้อนให้มันเพื่อจะให้มันมีความสุขเพราะรักมันมากมันคือตัวเรามามเฝ้ารู้เฝ้าดูตามรู้ตามดูไปเรื่อยโอ้ไม่ใช่ตัวดีเลยฮนะตัวก่อเรื่องตัวสร้างภาระเรื่องอะไรต้องไปรับใช้มันพอเห็นตรงนี้ก็ปล่อยวางภาร ะ, ะปล่อยขันความหลุดพ้นจริงๆอยู่ตรงนี้เอง ความหลุดพ้นจริงๆที่ว่าหลุดพ้นจากทุกข์ความพ้นทุกพ้นทุกหรือพ้นจากขันพ้นจากความยึดลงไปในขันว่ามันเป็นตัวเรามีความทุกข์ทางศาสน า, าพุทธนั้นมีหลายเกรดมากเลยทุกข์ที่ละเอียดลึกซึ้งเลยก็คืออุปาทานขันเป็นทุกข์ที่ท่านสอนทุกข์อีกอย่างหนึ่งทุกข์เพราะว่าจิตใจดิ้นรนกระตับกระสายเนี่ยตัณหาพาให้ทุกข์ อีกอันหนึ่งทุกอยากเลยทุกเวทนาดูกขาโชกหน้าเจ็บอะไรเงี้ยนี่ทุกมีหลายเกรดมากเวลาเราดูจิตดูใจเราจะเห็นทุกเห็นทุกไปตามลําดับเห็นว่าจิตใจดิ้นรนแต่สั์กระสายดิ้นรนนี่เป็นทุกอยากแล้วก็เป็นทุกอย่างอยากจะจีบสาวเนี่ยก็ทุกนะเขาจะเอาด้วยมเห็ไหมจีบได้แล้วจะ ยังไงต่ออะไรจะได้แต่งไหมได้แต่งแล้วเมื่อไหร่จะเลิกนะทุกอีกละทําไมมันแต่งนานเนะื้อใจมันไม่พอความสุขรออยู่ข้างหน้าปัจจุบันไม่สุขอะ่ะสังเกตไม่ใจเราดิ้นไปดิ้นไปข้างหน้าเรื่อยๆคิดว่าความสุขอยู่ข้างหน้าตอนเด็กๆก็กะว่าเออเดี๋ยวเรียนหนังสือจบแล้วจะสุขจบแล้วมีงานดีๆทําแล้วจะสุขเนี่ย แล้วก็มีเมียสักคนจะสุขต่อไปก็เออมีลูกไร้ไร้จะสุขอยมีเงินเยอะๆจะสุขไหมต้องมีแต่รอไปข้างหน้าอนาคตสุขอยู่ในอนาคตนะหาอะไรมาป้อนให้จิตเรื่อยๆหวังว่ามันจะมีความสุขมันไม่สุขเลยเพ้ามันคันๆนะคันๆอยากๆไปเรื่อยถ้าเรียนรู้ลงมาโอ้ไม่ได้เรื่องน ะ, นะเลี้ยงมันแทบตายเลยแต่มันหาความสุขไม่ได้ใจถึงเย็บ่อย เป็นไงโยโยแล้วเล่ามาทั้งแต่ต้นจนจบการปฏิบัติเนี่ยโยอยู่ตรงไหนอ่ะโยรู้ความรู้สึกหรือโยรู้พฤติกรรมของจิตหรือโยรู้อริยศาสตร์เออรู้พฤติกรรมก็ดีแล้วจิตมีพฤติกรรมอะไรล่ะดูแฟนะรู้ทันมันหลวงปู่ดูลบอกอย่าส่งจิตออกนอกหลวงปู่เทศบอกอย่าส่งนอกอย่าส่งใน ท่านแยกเอาของโลคู ด, ดูเนี้มาเป็นสองส่วนเป็นส่งนอกส่งในส่งนอกเนี่ยส่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายส่งในนี่ส่งไปทางใจสังเกตไหมเรานักปฏิบัติชอบส่งในถลมลงไปจ้องอะไรอยู่ข้างในอะแล้วคิดว่าดีนั่นกำลังโง่นะใช่เพ่งไม่ใช่การตามรู้นี่เราจะตามรู้สมมตเราจะเริ่มจากการตามรู้กายก็ได้ แต่เราต้องรู้ว่าตามรู้กายเพื่ออะไรตามรู้กายก็เพื่อให้รู้สึกตัวตามรู้ใจเพื่ออะไรเพื่อจะรู้สึกตัวรู้สึกตัวได้ก็จะเห็นกายเห็นใจทำความเป็นจริงเ็จะเห็นเริ่มตั้งแต่กายกายไม่ใช่เรารู้สึกตัวทันทีก็ไม่ใช่เราแนละ้วแต่จิตนะั้นมันเป็นเราดูยากหลวงพ่อเลยมาเน้นสอนเรื่องจิต แต่รู้ให้เท่าทันจิตจนเห็นว่าจิตไม่ใช่เราปล่อยวางจิตโอ้ยากนะเริ่มต้นก็ดูไปก่อนมันมีความรู้สึกยังไงดูที่เสื้อผ้าของจิตกันยังไม่เห็นตัวมันมีเปลือกหุ้มอยู่ดูเปลือกมันดูสิ่งที่ปรุงแต่งมันมันสุขมันทุกข์มันดีมันชั่วต่อมาก็รู้อีกว่าเวลามันสุขนี่นะมันวิ่งไปหาเลยแหมถ้าทางกระดิกระดะเนี่ยเวลามันทุกข์นั้วมันพยายามผลักใหญ่เริ่มรู้พฤติกรรมมันแล มันวิ่งไปวิ่งมานอนวิ่งไปและวคุณมล น, น, นี่ก็ไปแล้วดูไหมพอจะเข้าใจไหมถ้าเรียนธรรมะแล้วเรียนไม่ได้เรื่องนี้นะยังห่างไกลศาสนาพุทธมากเลยเรียนไปยกแข้งยกขาะใครมันก็ยกเป็นนะนักกยายกรรมมันยกเก่งกว่าเราอีกไม่เห็นมันบรรู้อะไรเลย แม้แต่เรกว่าส่งในส่งเข้าไปอยู่ข้างในแล้วจะเกิดอะไรขึ้นได้พักผ่อนถามว่าเกิดปัญญาไหมไม่เกิดคนละเรื่องกันเหมือนอย่างดิ่งเขไปอย่างนั้นแล้วมาถามหลวงพ่อว่าเกิดปัญญาไหมเหมือนคนนอนหลับวันวันหนึงพักผ่อนทั้งวันเลยแล้วถามว่าจะรวยเมื่อไหร่ไม่รวยดอก้กินของเก่าไปเรื่อยงั้นส่งในก็รู้ว่าส่งในส่งนอ ก, กรู้ว่าส่งนอกลองเล่นแค่นี้ก็พอ เราโตแล้วเรียนรัดหลวงปู่ ด, ดูลชับสอนสั้นๆให้ดูพลติของจิตอย่าส่งจิตออกนอกนี่คำสอนนี้กระโดดข้ามแล้วนะข้ามขั้นที่หนึ่งมาด้วยที่ว่าให้ไปรู้สุขทุกข์ดีชั่วนะถ้าใจถึงมือถึงก็โดดได้ใจไม่ถึงมือไม่ถึงก็เอาดูสุขทุกข์ใจป้อแป้ ก, กว่านั้นอีกเอาดูกายไปไม่เอาไหนเลยก็ทำสมถะไปดีกว่าไม่ได้อะไรเลย เนี่ย <Yeah. S 2> ทําอะไรมีพฤติกรรมนะรู้ไหมหลงเข้าไปข้างในนั่นแหละเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ก็ส่งในท่งในนี่ทําได้หลายแบบ <Yeah. S 2> เข้าไปลอยลอยไม่รู้อะไรเลยก็ได้ <Yeah. S 2> เข้าไปคิดก็ได้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เข้าไปตั้งค่าทําทเองขึ้นขึมนอย่าปฏิบัติแล้วก็ได้เน <Yeah. S 1> ี่ยเห็นไหมแกล้งทํานะทําขึ้นรู้สึกไหม เราจะรู้ว่าจิตชอบหรือไม่ชอบอย่างฟังเพลงเนียถามว่าเพลงเพราะไม่เพราะรู้ไม่รู้รู้แล้วชอบหรือไม่ชอบก็รู้อีกนะอย่าไปทำอะไรที่เหนือธรรมชาติอย่าไปเรียกร้องตัวเองว่าฟังทุกอย่างไม่มีเพราะนะเห็นผู้หญิงสวยให้สวยอันนี้แกล้งสวยก็สวยสิสวยเราอยากจีบรู้ว่าอยากจีบนะอย่ากแกล้งนะ นม่งั้นกลายเป็นบิดเวืนอย่างถ้าเกิดต้นพุทโธเนี่ยจะมีความรู้สึกอย่างที่พุทโธบออักพักนึงอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับมีบางอย่างพุทโธภายในเนาะแเราไม่ใช่ตัวเราอืมอ่าเข้าหนทั้งหมดเลยสังเกตไหมอ่าลองพุทโธดูลองทำตอนนี้เลยนไม่ต้องคิดมากพุทโธไปเลย รู้สึกไหมว่าเราจ้องเข้าข้างในนะเนี่ยเรียกว่าส่งจิตส่งในนะสิ่งที่ได้ได้สมถะถ้าส่งไปอยู่ที่จุดเดียวนิ่งๆนะนี่ก็หลงละไม่เลิกทำรู้สึกไหมเนี่ยบอกแล้วว่าคนที่เคยฝึกเนะ่ยฝึกยากคนไม่รู้เรื่องเลยน่ะง่ายกว่านะอึดอัดไหมล่ะ <c oughs> อึดอัดแน่นอนเลยทุกข์มันเกิดทําไมทุกข์มันเกิดลําอยากอยากทําอยากปฏิบัติอยากเลิกปฏิบัติโอทุกข์ทั้งนั้นเลยี่ดูไปแล้วจะเห็นอริยสัจทุกข์เกิดเพราะอะไรจะเห็นของจริงเลยความทุกข์เกิดจากอะไรเกิดจากอยากกิเลสเกิดแล้วทุกข์ไหมกิเลสเกิดยังไม่ทุกข์นะอยากให้กิเลสดับแล้วทุกข์เลย ทำอยู่ทราบไหมเลิกซะเลิกไม่ได้รู้สึกไหมมันไม่ยอมปล่อยออทำไงดีออแย่แล้วมีอยู่มีอยู่ทอดหนึงที่ผมเคยพบคือหลวงหลวงปู่ท่านได้ได้บอกว่าใครจะทำอะไงก็ช่นแต่ท่านภาวนาเข้ามาให้นิดเดียว อาแต่มาไม่เคยได้ยินนะอั น, นั้นท่านมีคนไปถามเรื่องพิหารธรรมเครื่องอยู่อท่านบอกท่านอยู่กับรู้นะเราก็หัดรู้ไปนะเอยากจะได้เครื่องอยู่อันหนึง่งอยู่กับรู้ไม่ใช่อยู่กับคิดอยู่กับรู้ไม่ทุกนอยู่กับคิดเดี๋ยวก็ทุกเพราะความคิดตามหลังความทุกมา จิตจะปฏิบัติก็ลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติก็แน่นขึ้นมาทุกคือจิตใจที่ดีนะเราฝึกจิตใจของเราจนกระทั่งโอ้ฉเฉลียวฉลาดขึ้นมาแล้วจะน่าตกใจมากมันคือจิตธรรมดาจิตที่ธรรมดาธรรมดาไอ้ที่เราดัดแปลงฟิกแปลงไปมากมายนะไมจะกลับสู่ความเป็นธรรมดาเนึกว่าสูงสุดกลับสู่สามัญอะ ดูสีประดิษฐ์ประดอยทาแทบตายเลยแล้ววันหนึ่งก็ค่อยค้นพบว่าเออจิตที่เราไม่ไปยุ่งกับมันนั่นแหละมันก็ธรรมดาของมันอยู่อย่างนั้นแหละแต่เราชอบไปแต่งมันให้มันสวยงามเติมสีสันลงไปเติมสังขารเข้าไปเราสังขารเมื่อไหร่สังขารขาดออกไปจากจิตนะความปรุงแต่งไม่มีทุกไม่มีหรอกส่งในล้ทราบไหม ถามว่าห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้ต้องรู้ว่าส่งในแค่นั้นพอหน้าที่มีแค่รู้ะจับหลักแค่เนี้ยจิตส่งนอกรู้จิตส่งในก็รู้รู้ลูกเดียวแต่เดี๋ยวก็ตื่นขึ้นมาทุกขณะที่นั่งอยู่เนี่ยมีสมาธิทุกครั้งที่เดินก็มีสมาธิ นี่ทำไมพระต้องเดินกลับไปกลับมาที่เรื่องเดินจงกรมถ้คืนไม่เดินกลับไปกลับมาก็เดินหลุดออกไปนอกวัดสิแล้วทำไมท่านต้องเดินนะเดินแล้วมันกระตุ้นความรู้สึกได้ง่ายกว่านั่งนั่งแล้วเดี๋ยวก็เคลิมส่งในส่งเฟกเคลิ้มลิบลีลิบลีนะไม่ได้อะไรขึ้นมาได้ความขี้เกียจเราฉะนั้นลุกขึ้นมากระดุกกระดิก ยจะไม่เดินจงกรมไม่เป็นไรเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกตัวเนี่ยใครสั่งใครสอนบอกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกตัวพระพุทธเจ้าสั่งสอนพิสูจทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวในการคู่ในการเหยียดในการเดี่ยวถ่าหลักซ้ายแลกขวาจะดูกระดิกข<น>ยักหน้ารู้สึกไหมขยักหน้าแล้วคิดเอารู้สึกไหมเนี่ยไม่ได้ทําตามพระพุทธเจ้าบอกมัขยับหน้าแล้วรู้สึกตัวเนี่ย ไมถลําไปแล้วถลําไปก็รู้สึกใหม่ก็ดุกระดิกพย่ายากหน้าเนี่ยอย่าพยัยาเฉยๆฉยอย่าพยัยามไปคิดไปพยักหน้าแล้วรู้สึกรู้สึกขึ้นมาเอาส่งในไปแล้วยากไหม <c ười> <c ười> ยากเพาคิดหลวงปู้ดูลสอนอกว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติเท่านั้นถามว่าใครคือผู้ไม่ปฏิบัติ ผู้คิดน่ะผู้คิดไม่ใช่ผู้รู้ผู้เพ่งน่ะไม่ใช่ผู้รู้ผู้กําหนดน่ะไม่ใช่ผู้รู้แต่ใดยากเพราะไม่มีทางรู้สึกเลยไงยหนีไปเที่ยวแล้วง่ายไหมนะง่ายแต่ตรงที่ไม่ทําอะไรนะบางคนบอกยากยากนะให้ทําอะไรซะยงรู้สึกง่ายกว่าไหมทําไม่เลิกไหมไหมหลืบตัวไปแล้ว หัดรู้สึกตัวไปนะบทเรียนที่หนึ่งหัดรู้สึกตัวบทเรียนที่สองพอรู้สึกตัวได้แล้วมาหัดอ่านจิตอ่านใจตัวเองไปจิตรู้สึกยังไงก็รู้ว่ามันรู้สึกอย่างนั้นจิตแอบไปทําอะไรมีพฤติกรรมอะไรรู้มันทํานั้นนะมันไปดูรู้มันไปดู ม, ปดมันไปคิดรู้มไปคิดมันไปเพ่งรู้มไปเพ่งรู้ทันไปเรื่อยเดี๋ยวก็เห็นอริยสัจถ้าเห็นอริยสัจแล้วก็ใกล้เคียงะ่ะ ถ้าเราไปดูในโสรถยานเนี่ยเี่ยยานต้นๆจะเป็นเรื่องการที่ยังคิดอยู่ยังคิดว่าเมื่อกี้กับตรงนี้ไม่เหมือนกันรูปรูปตอนนี้กับรูปเมื่อกี้ไม่เหมือนกันเอย่างรูปตอนนี้ยกมือรูปเมื่อกี้ไม่ยกมือรูปไม่เหมือนเดิมรูปเมื่อกี้พองรูปตอนนี้ยกคนละรูปกันนะรูปยกเท้ารูปย่างเท้านี่คนละรูปกันนี่เจือด้วยจินตามัยยะปัญญา เห็นว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่าตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อกี้อันนี้ในคำพีเขาเรียกสัมมาสถญนาอย่างยังไม่ขึ้นวิปัสนาถ้าจะขึ้นวิปัสนาต้องเห็นความเกิดดับเห็นเลยต่อหน้าตานี่ไม่ต้องนึกเปรียบเทียบนึกเปรียบเทียบก็ไม่ได้ยากอะไรอย่างจะเทียบจิตจิตขณะนี้กับตอนมาถึงวัดใหม่ๆไม่เหมือนกันรู้สึกไหม แต่แทนที่จะต้องห่างจนกระทั่งตอนนี้กับตอนมาวัดใหม่ๆขนาดนี้กับตะ ก, กี้เนี่ยไม่เหมือนกัน <Yeah. S 1> ให้มันกระชั้นเข้ามาตาไปจะเห็นเลยว่าเมื่อกี้ไหววาบดับไปตัว น, นี้รู้ขึ้นมาเดี๋ยวไหลไปอีกแล้วเดี๋ยวรู้ขึ้นมาอีกเนี่ยจะขึ้นมาเห็นเกิดดับมันจะเห็นเลยมีรอยต่ออยู่นิดนึงระหว่างเกิดกับดับดับไปปั๊บมีช่องว่างนิดนึงนอันใหม่ค่อยเกิด <Yeah. S 2> ก็ค่อยเห็นไป แต่ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะนี่ช่วงที่เห็นเกิดดับเกิดดับนี่จะเห็นใจรักค่อยเห็นไจรักไปเห็นใจรักเต็มภูมิแล้วก็ยังไม่รู้ทำหรอกต้องเห็นอริยสัจมีปัจจานายานชั้นสูงๆนี่จะไปเห็นอริยสัจมีเห็นตั้งหลายอย่างนะทีแรกจินตามะยะปัญญาจะเห็นความคิดไม่ใช่คิดนเอาแต่มาเห็นรูปนามรูปนามเนี่ยเห็นรูปนามไปเรื่อยก็จะไปเห็นใจรัก สำมมที่ไปเห็นอริยศัจตรงที่มรรคญาณผลญาณเกิดเนี่ยเห็นนิพพานมีอารมณ์หลายอันนะในการเดินวิปัสสนาตลอดสายไปฝึกมาจากไหนนะหรืออ่านหนังสือทำเอาเองมีหน้าอะไรชอบพุโทโธก็ไม่ไม่ยงยังไม่ไม่ได้สังเกตตัวเองครั้ <c oughs> งนี้เอาพุโทโธเป็นเหยื่อตกปลาจิตคือปลา พุทโธไปพุทโธแล้วใจสบายรู้ว่าสบายพุทโธแล้วใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านพุทโธแล้วหนีไปคิดรู้ว่าหนีไปคิดพุทโธแล้วไปเพ่งนิ่งลึกเข้าไปข้างในรู้ว่าลึกเข้าไปข้างในรู้ว่าจิตไหลเข้าข้างในนะหัดพุทโธเพื่อจะรู้ทันจิตนะหัดตรงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวให้มาเรียนบทที่สองคนอื่นไม่ต้องนะไม่ต้องไปเอาอย่างกัน แล้วคนเรียนมาไม่เหมือนกันหรอกนะทางใครก็ของคนนั้นคนโบราณเ้ามีสุภา ษ, ษ, ษิตบอกว่าคนหลายๆคนไปกินน้ำบ่อเดียวกันเดินทางเดียวแต่ไม่เหยียบรอยกันนี่เราเดินทางเดียวก็คือทางของสติทางเดินของสติรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจแต่วิธีเนี่ยไม่เหมือนกันไม่มีวิธีสำเร็จรูป แต่ละคนก็มีวิธีที่ตัวเองถนัดนี้พอเราสมมติเราพุโทโธจนแม้เราบรรลุนะเราก็มาสอนคนอื่นต้องพุโทโธนะไม่พุโทโธไม่ได้อีกคนหนึ่งไปเดินจงกรมมาบรรลุต้องเดินนะไม่เดินไม่ได้ ไ, ได้ดูคำสอนพระพุทธเจ้าจะกว้างๆคลุมทุกจริตได้ คือทำฌานเนี่ยมันมีวิธีเป็นวิธีของอีกวิธีสมถะญาณิกมันมีทางเดินสองสายวิปัสสนาญาณิกกับสมถะญาณิกท่านสอนอย่างนี้บอกว่ากายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับพวกปัญหาจลิตพวกรักสบายไม่ค่อยอยากยุ่งอะไรอยากสงบอย่างเนี้ยแล้วก็มีเงื่อนไขว่า พวกที่จะทํากายเนี่ยควรจะไปทําสมถะก่อนแต่พวกดูจิตเนี่ยเหมาะกับทิฏฐิจริตพวกคิดมากพวกปัญญาชนนะ่ะพวกนี้ไม่ใช่เล่นกายแล้วจะรอดนะพวกนี้ต้องดูจิตเอาราะทิฏฐิจริตเนี่ยเหมาะกับหิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาและเนี่ยเหมาะกับพวกวิปนนัสสัญญาณิคือไม่ต้องทําฌานก่อน แล้วถ้าให้ไปทําฌานก่อนเนี่ยอีกชาติหน้าก็ยังไม่เสร็จก็ทําไม่ได้หรอกใจมันฟุ้งมันชอบคิดเนี่ยมันนีไปคิดอีกแล้วเห็นไหมมันชอบหนีเที่ยวงั้นทางที่ดีหนีเที่ยวเหร อ, อ, อรู้ว่าแกหนีเที่ยวเอีอ่บังคับแกไม่ได้หน่แกหนีไปหนีมาทั้งวันรู้แล้วว่าบังคับไม่ได้ถ้็รู้แจ้งขึ้นมาได้ถึนพวกที่ไม่ชอบคิดมากให้ไปดูความคิดไม่เอาเหนื่อยยุ่งดูกาย เห็นท้องมันพองท้องมันยุบอะไรก็ดูไปวะท้องพองยุบนี่พุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนสอนแต่รูปยืนเดินนั่งนอนนี่สอนอ้หลงนั้นนั่นอ่ะไหมไม่มีกายไม่มีใจอะไรนะตั้งใจแล้วทราบไหมตั้งใจก็ผิดเพราะอะไรเพราะตั้งใจเราไม่รู้ว่ากำลังตั้งใจอยู่เกิดพฤติกรรมทางใจแล้วคือตั้งใจไม่ยากหรอกนะ ่ทําไม่คิดมากจิตใจสบายรู้ว่าสบายกลุ้มใจรู้ว่าคลุ้มใจเนี่ยมันเป็นยังไงก็รู้ไปเรื่อยๆพอรู้อะไรไม่ได้แล้วก็อามาพุโทโธนะเพราะเราชอบพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปพโทโธเสร็จแล้วมาอ่านใจพุโทโธแล้วสบายใจรู้ว่าสบายใจนี่เข้ามารู้ใจต่อได้เลยแต่ถ้าอยู่เฉยๆอย่างนี้เรารู้จิตใจของเราได้แล้วเราก็ทิ้งพุโทโธไป นะเราจะเอาปลาเราไม่ได้เอาเหยื่อพุโทโธเป็นเหยื่อลมหายใจเป็นเหยื่อจำรู้ตัวไปอย่าไปตามตัวรู้ไปนะ <c oughs> คนละอ่านกัน <c oughs> ไม่ตลอดนะรู้เท่าที่รู้ได้ <c oughs> รู้ตลอดเดี๋ยวเครียดเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเรา <c oughs> จิตเขาพัฒนาไม่ใช่เราพัฒนา ให้รู้ตัวไปเรื่อยๆเยนี่ยหนีไปคิดรู้ไหมใจหนีแวบรู้ไปหนีแวบรู้ไปเนี่ยหัดอย่างเนี้ยอานะถึงดีง่ยยย ย, ยยยยรู้การอนไหวงกายนะครับยยคือถ้ารู้ใจได้ก็รู้ใจไปนะรู้ใจไม่ไหวก็มารู้กายารู้กายไม่ไหวก็ทาสมถธมีแนวรุกแนวรับนะ เพราะจุดหมายปลายทางต้องเห็นอริยสัจอริยสัจคือจิตเกิดความอยากขึ้นมาจิตจะทุกข์ต้องเห็นตรงนี้ถ้าเห็นอริยสัจแล้วถึงจะเกิดอริยามรรคได้นี้เราจะมาเห็นอริยสัจก็ต้องมารู้ให้ถึงจิตถึงใจจิตเกิดตัณหาไตัณหาเกิดที่จิตนี่ไม่ได้เกิดที่ที่แขนที่ขาอะไรนี่ถ้าเราไม่มีแรงพอ ที่จะรู้จิตแล้วก็รู้กายไปก่อนนะจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนอย่าให้ใจมันหนีเกินกายไปรู้กายไว้อยู่หน่อยก็รู้จิตได้กายเป็นบ้านของจิตเหมือนเราจะไปหาเพื่อนเราสักคนเนื้อไม่รู้มันไปอยู่ไหนไปเฝ้าหน้าบ้านมันเดี๋ยวก็เจอเราหาจิตเราไม่เจอดูจิตไม่ออกเรามารู้กายไปยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกอย่าใจลอยพอรู้สึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ห่านใจออก เดี๋ยวก็รู้หรอกมันสุขมันทุกข์มันดีมันร้ายก็เห็นเองแหละพอเห็นมันสุกมันทุกข์มันดีมันชั่วแล้วก็ดูไปเรื่อยๆแต่อไปก็เห็นอีกว่าสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นมาก็ยังไม่เกี่ยวอะไรกับจิตใจหรอกแต่ถ้าจิตวิ่งเข้าไปยุ่งนะจิตวิ่งเข้าไปแทรกแซงวิ่งเข้าไปยินดียินร้ายนะความทุกข์อย่างนี้เกิดนี่เห็นอริยสัจเหมถ้ารู้จิตไม่ได้มารู้กายไว้รู้กายก็ดูไม่ออกแล้วมั่วซั่วหมดลนะ ทำสมถะพุทโธไว้สมถะเนี่ยท่านแบ่งกลุ่มของพวกทำสมถามีหกจริตราคาจริตเนี่ยทิยาสุภะปฏิกูลอย่างเงี้ยโทสะจริตเจริญเมตตาโมหจริตทานาปานาสติเห็นมบางทีเราก็นึกอยากทำนาปานาสติทั้งๆ ท, ที่เราไม่ใช่โมหจริตนึกชอบนึกเอาเองอะ จริตแต่ละจริตเนี่ยก็เหมาะกะับกรรมฐานสี่สิบเนี่ยแบบใดแบบหนึ่งหรือหลายหลายแบบเป็นกลุ่มๆจริตหกอย่างเนี่ยเอาไว้ทําสมถะนะจริตเพื่อการทํำมิปเสนามีสองจริตเท่านั้นเองคือตันหายจริตกับทิฏฐิจริตพวกคิดมากเนี่ยนะพวกคิดมากเนี่ยไม่ต้องไปรู้รกายแล้วมันกายมันเล็กเกินไปไม่พอรู้รู้มากต้อมารู้จิต รู้สึกตัวไว้นะอย่าให้มันเบลอไปพยายักหน้ารู้สึกไม่ใช่พยัยามหน้าคิดนะอืดอัดรู้ว่าอืดอัดอะไรเกิดขึ้นรู้ไปไม่เข้าไปแทรกแสงใจลอยรู้ว่าใจลอยเอา้าหนีไปซะอีกแก่ป๋องมีอะไรไห ม, มสองคนนั้นว่างไง รู้เรื่องบ้างไหมหลวงพ่อสอนยากเกินไปไหมเออจริงๆหลวงพ่อสอนง่ายหลวงพ่อไม่ได้บอกให้ทําอะไรที่ลําบากเลยหลวงพ่อสอนแค่ว่าเออรู้สึกตัวไว้นะอย่าใจลอยนะออรู้สึกตัวไว้จิตใจเราเป็นยังไงก็คอยรู้ไปสอนแค่นี้ยากอะไรนักหนาเนาะเรายัางเรียกร้องอยากให้มีคนรู้ใจเราเราก็หัดรู้ใจตัวเองก่อน คุณมลไปทำอะไรมาช่วงนี้ทำไมจิตใจกระปรี่กระเปื่ดูได้ดีดหืดีเอ้าดียังไม่รู้อีกดีไม่รู้ว่าดีนี่พระพุทธเจ้าบอกใช้ไม่ได้เอืออือโ้ดีต้องรู้ว่าดีนะ จิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลนี่ดีเลิศออโอ้แค่นั้นโลภแะอว <c oughs> มีกิเลสรู้นะจิตมีโลภะรู้ว่ามีโลภะอ่าดีอยู่แลนะนไหมคำว่าดีคําว่าไม่ดีอยู่ที่รู้ไม่รู้ต่างหากจิตมีกิเลสรู้ว่ามีกิเลสเนี่ยจิตที่ดีนะอืม <c oughs> รู้ท่านมันนะ กิเลดกำลังออกหน้าแต่การที่เรารู้ทันเนี่ยรู้สึกไหมความรู้สึกตัวของเราชัดจุดสำคัญอยู่ที่เรารู้สึกตัวได้ชัดก็กกรดมันก็หลังคิดเน่ยเอาช่วยไม่ได้ไม่ใช่พระอนาคาคา คือยิสิตดูด้วยใจที่เป็นกลางนะถ้าดูด้วยใจที่อยากหายโกรธยิ่งโกรธใหญ่ยังทีโกรธคนอื่นไม่ได้เลยโกรธตัวเองเลยเพราะใจนี้ทำไมมันดื้อนะเพื่อเนี้ย เรายังสู้โทสะไม่ได้แต่โทสะก็ไปจากโมหะนะหลงคิดไปก่อนคือจริงๆแล้วถ้าสติมันเกิดเองนะมันจะขาดเลยแต่ถ้าจงใจลวโกรธแล้วไปจงใจดูมันนี้นะไม่ขาดหรอกเพราะมันไม่ใช่สติตัวจริงหัดตามรู้ไงลนะ่ะ พระพุทธเจ้าบอกให้ตามรู้กายรู้ใจตามรู้สภาวะไปเรื่อยๆพอไปพอมันโกรธเนี่ยสติมันไปรู้ความโกรธใจรู้เองนี่ขาดเลยแต่มันโกรธแล้วไหนดูมันสัหน่อยสิเนี่ยตัณหาแทรกอยู่พาดูดูเมื่อไหร่จะหายโกรธนี่ลุ้นอีกแล้วนะตัณหาแทรกอีกอ่าเนี่ยเราไม่ได้เจตนาเห็น เอากระจกไว้อั น, นโกรธแล้วสองเดี๋ยวก็หายเป็นไม่สวย <c oughs> <c oughs> ดูไปเรืยย่อยๆหลวงพ่อเป็นคนขี้โมโหเป็นพวกโทสะจริตเนี่ยอาตมาเนี่ยโทสะจริตนั่งดูไปเรืยย่อยๆแล้วใจเย็นสบายไม่ค่อยโกรธโบเป็นไงโบทีละ จิตใจเขาผ่านความทุกข์มาเยอะมันก็เติบโตขึ้นนะถูกความทุกข์หล่อหลอมดีละเป็นกำไรชีวิตที่ทุกข์เยอะๆนะคนอื่นเขาทุกข์เยอะแล้วเขาจมเรลนีไปเลยเราทุกข์แล้วเราเออถอนตัวเองขึ้นมาได้เรื่อยๆดีละ วัฒนามันเกี่ยวกับการปฏิบัติวัฒนธเป็นความเคยเคยทางกายทางวาจาต้องบักบุญบารมีอบารมีนี่เป็นทรัพยากรทางใจนะก็ เ, เกี่ยวเคยฝึกเจริญสติสติก็เกิดง่ายทำนองเดียวกันอ น, นุสัยคือเคยที่โมโหมันก็โมโหง่ายก็นะไปตามความเคยชินารู่ปแตง่ง แต่ว่าแผ่ไปแผ่แล้วใจเย็นแผ่แล้วมีความสุขเป็นสมถะถ้าฟังหลวงพ่อไปเรื่อยเดี๋ยวก็จะแยกได้ว่าอะไรคือสมถะอะไรคือวิปัสนาอะไรก็ตามที่เราลงมือกระทํำไปนะ่ะเป็นสมถะวิปัสนาจะเป็นแค่การตามรู้กายตามรู้ใจเท่านั้นเองจิตไม่สงบพุตโธให้สงบเนี่ยสมถะหรือวิปัสนาสมถะ นั่งแผ่เมตตาให้ใจสงบเนี่ยสมถะวิปัสสนาสมถะทำแล้วสงบทำแล้วมีความสุขสมถะเนี่ยมีภารกิจก็คือทำจิตที่ไม่ดีให้ดีทำจิตที่ไม่สงบให้สงบวิปัสสนาไม่ทำอะไรเลยจิตดีรู้ว่าดีจิตไม่สงบรู้ว่าไม่สงบจิตร้ายรู้ว่าร้ายไปเลยก็รู้ว่าจิตไม่ใช่ตัวเรา จะมีศัสนาดูเพื่อให้เห็นความจริงสมถะนะเอาความสุขความสบายเราั้นเวลาเราปฏิบัติอย่าไปติดอยู่แค่สมถะนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะต้องทำอย่างนั้นก่อนแล้วถึงจะขึ้นมีศัสนาได้เราคิดเองไม่ใช่แต่ว่าควรทำทั้งสองอย่างแหละ ท่พระพุทธเจ้าบอกธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาแต่ต้องเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งนะไม่ใช่เจริญด้วยความไม่มีปัญญาอย่างคิดว่าพุทโธแล้วจะเกิดปัญญาเนี่ไม่เกิดหรอกอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้ทําด้วยปัญญาอันยิ่งเราจะทําสมถะเราต้องรู้ว่าเราจะทําอะไรเพื่ออะไรจะทําอย่างไรนี่ถึงจะเรียกว่าทําด้วยปัญญาเราจะทําสมถะเพื่ออะไรเพื่อให้ใจสงบทํำยังไงถึงจะสงบ ให้จิตไปรู้อารมันเดียวอย่างต่อเนื่องจิตวักแป๊กวักแปกก็ไม่สงบให้มันรู้อนเดียวเดี๋ยวมันก็สงบน่งถ้าเราจะทํำวิปัสสนาทําเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวเราวิธีจะทําให้เห็นความจริงทํำยังไงก็ดูไปสิว่าของจริงเป็นยังไงอย่าไปคิดเอาเราชอบไปคิดเอาเห็นไหมว่ากายไม่ยังงู้นย่างนี้มีคิดเอาคิดเอาก็ได้ความคิดไม่ได้ความจริง เราอยากรู้ว่าจริงๆกายกับใจเป็นไงก็รู้เอาตามดูไปอย่างนี้ไม่ใช่การตามดูแล้วนะถ้าไปทําอะไรลุงลังขึ้นมารู้สึกไหมโดนทิ้งไส้พลุงพลังนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเราทําด้วยโมหะเท่านั้นเองเราหลงว่าต้องทําอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติได้ทําไปด้วยทิฏฐิในความคิดความเห็นทําไม่เลิกทราบไหมวันนี้จิตเหมือนหมภาภัยเลย จิดแบบเดียวกันเลยนะรู้สึกอยากขยันจังเนอะมันไม่ยอมเลิกรู้สึกไหมว่ามันไม่เลิกเออแค่รู้แค่นั้นพอละอย่าอยากเลิกนะแต่เดิมเราคิดว่าทำอย่างนี้ดีนะมาฟังหลวงพ่อพูดทำอย่างนี้หลงต่อไปพอเรารู้ว่าทำอย่างนี้หลงนะมันจะอยากเลิกอยากเลิกรู้ทันเลยอยากเลิกใจไม่เป็นกลางรู้ไปที่ใจเราไม่ต้องไป ด, ดูแลตรงที่ทาเนี่ย พอเราไม่ดูมันมันก็หลุดไปเลยเนียอยากหลุดไหมอยากหลุดก็อย่าไปดูมันสิ <c oughs> กลับไปดูใหม่มันก็ติดเข้าไปเรื่ <c oughs> เราไปเกาะมันไว้เองนะสนะมมติไปถืออันี้ไว้โอ้ยหนักจังหนักก็ถือไว้ก็หนักสิไง <c oughs> โยโยเป็นไงม้างบําเพ็ญบารมีถึงไหนลแล้วเราดูของเราไปโยก็เริ่มดีล้อย่าไปทำนนมันขึ้นมาอีก ปไปเลยใจถึงถึงหน่อยโยนมันทิ้งไปแล้วรู้สึกตัวเออนั่นแหละโยรู้ทันตรงที่มันจะไปเกาะนั่นแะละห้ามไม่ได้รู <S <S <S <S ้สึกไหมแต่คอยรู้ทันไปรู้ทันไม่ห้ามนะแต่รู้ทันอย่าลงไปนอนแช่เอาวันเดียวไอ้ว้ใหญ่แช่ถ้ามันจะแช่นะโยลืมมันไปเลยแล้วรู้สึกตัวขึ้นใหม่หมากตานี้เล่นยากล้มกระดานเลยรู้สึกตัวขึ้นมาใหม่ ไงแช่ไม่เรื่องแล้วไหมมันเคยไงยนะแต่ก่อนเราคงเคยเป็นฤาษีเราหาก เ, เริเลยสตยเคลื่อนไหวไว้นะ้วอยามกระดู ก, กระดิกไว้ไม่ถึงกับบายหรอกนะเดี๋ยวจะได้ไปเป็นพระลมนั่งหน้าเอราวัน นั่งดมกวันพิษนั่งซบซื้อไปเลยนะสมพงเป็นไงจิตใจไม่ค่อยกับพี่กับเปล่าเป็นไรอืวอย่าขี้เกียจนะสมถามันน้อมไปเรื่อยๆแล้วขี้เกียจเพราะมันสบายยำรู้สึกตัวไหม หายใจแรงๆสักทีหนึ่งก็ได้แต่ไม่แรงตลอดนะหายใจแรงตลอดก็ไม่ได้นะเป็นไง อ, อะไรนะอโอ้คิดไม่เลิกธรรมชาติเอรรไเอได้รู้ตรงนี้รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านอย่าไปดูเรื่องที่คิดทีละเรื่องเวียนหัวรู้ทันจิตเท่าไหรจิตกาลังฟุ้งซ่าน อ้าคุณวุฒิชัยเขาไงไม่ไล่กันบ้านแล้วเดี๋ยวจะเลิกแล้วนั่นรู้ไปเรืนะ่อยๆนะอย่าพยายามเยอะทำเล่นๆพยายามมากก็เกรงๆกงแข็งแข็งขึ้นมาอย่าพยายามนะเะรู้เล่นๆคุณมันเกิดวาไงมีในไร้เยี้ยใจหนีแวบแวบแวบคอยรู้ทันนะ ไม่ต้องทวนเดี๋ยวมีหนังสือให้ติดู่ที่ลมหายใจอยู่เลยครับเออหน้าตรงสารเนี่ย <c oughs> นะติดลมนั้นแก่ยาก <c oughs> ลงพ่อมา ก, ก่อนทำลมหายใจอยู่ตั้งนานสิบสองปี <c oughs> เล่นแต่ลมตั้งแต่จิดขวบยันยี่สิบเก้า ที่ใช้อนาพันธสิเป็นฐานนะเสร็จแล้วท่านก็มาเจริญสติมารู้อริยสัจเนี่ยมารู้ว่าทุกเกิดได้ยังไงเนี่ยมันเข้ารู้เข้ามาถึงจิตถึงใจนะท่านหายใจเพื่อให้รู้สึกตัวเป็นฐานนี่ไม่ใช่ว่าหายใจตลอดว่าไม่คิดอะไรแล้วบรรลุพระพุทธเจ้าเห็นพุทธเจ้าไม่ใช่นะที่ท่านหายใจแล้รู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวส่วนมากพวกเราหายใจแล้วเคลิม้ม หายใจเอาเคลิมเนี่ยแลอย่คิดว่าเดินรอยพระพุทธเจ้าไม่ใช่เลยนะหายใจเราเคลิ้มก็ไปทางอาราและตาบทอุทกปดาบทเนยะท่านหายใจแล้วท่านรู้สึกตัวอย่างนี้ไม่เรียกว่ารู้สึกตัวเอแล้วทําถ้าไปทํามันจะไม่ให้เหนื่อยนะลอยมันทิ้งไปแล้วแล้วรู้สึกเงานะลอยมันไปแล้วรู้สึกเง พยักหน้าอย่าไปหนีคิดพยักหน้าก็รู้สึกตัวส่วนมากเราชอบพยักหน้าแนละ้วใจไปที่อื่นนะเราพยักไปงั้นเลยบางคนน่าเกลียดมากเลย ย, ยึกยึกยึกทั้งวันนะโอ้น่าเกลียดนะไม่ไม่ยอมปล่อยเขาเลยเฮ้ <Okay. S 1> เดี๋ยวต้องให้พี่เดี๋ยวจะให้พี่อาแก้ให้เออ